นามสกันนงพอมหาเดเร็คนามสกันนงดาสุร uh, ิยานามสกันเออรคูบาจัน์พระพุทธเจ้าเออทุกทุกรูปเจริญพงศ์แม่ชีเจริญพงศ์ยัดยมทำสบายนันพอเออ ถ้าไม่พูดอะไรคงก็ก็เหมือนเหมือนอคนไทยใช่ไหมครับก็ก็ไม่มีอะไรต่างกันแต่ถ้าอพอผมพูดอะไรก็รู้อ่ออนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยนะผมเออก็คือมาจาเมือนจีนนอะแผ่นดะินใหญ่ไม่ใช่ไต้หวังก็ไม่ใช่ฮ่องกง 曾经碰过，呃，朋友们经过去呃，博边马哈扬，我们刚过去普达措神啦，带他过去呃，马哈扬，比挂，带过去破呃，农坡康甜汤可以拜门进板鸭汤嘛？碰过呃，南南达南达来，过去破呃。 ย้มันจริงก็คือหนึ่งพนสองรอยกว่าปีก็เคยมีเคยมีคปปรูบาอาจารย์สอนเหมือนกันเหมือนกันมนมผูเทียนท่านสอนไม่ต่างกันแต่แต่ก่อนผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ชอบชอบมากๆแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงทำหลังเสร็ก็เอกก็คือทานก็ชื่ออาจารย์เวนัน 过 可, 可以带人过去，呃，农农博农博葡萄滩，他们可以呃来阿江渭南南石空滩，呃，边拍沙滩，地旁过也卖也卖卖卖米果干，是呃阿江渭南，他们呃可以谈那个巴的巴，他他们过谈，他老呃边炒葡萄。 เราก็ส่วนถอือพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่นท่านก็ทมถ้าเราถอือพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนักปฏิบา ก, ก็ตอบว่าเราไม่รู้ท่านก็ตอบไม่รู้แต่เราก็ส่วนว่าเราถืถอพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่อนอย่างนี้คือผิดศีล พูดไม่จริท่างก็เอ่อปกใหม่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเถอพระพุทธเจ้าเป็นที่เพ่นอย่างนี้ไหมถึงอะไรหมายถึงเถอสติเป็นที่เพ่นแต่จริงๆทุกวันนี้ทั้งมีหนังสืออย่างอยู่เก็บทุกวัดก็มี ถ้าผมอยู่เมืองไทยมาเมืองไทยโกลนผมก็ฝันภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องอ่านภาษาไทยก็ไม่รู้ก็ติดหนังสือของท่าหมาในอยู่อยู่วัดบาสุขาตัวกุติผงก็มีสองเนิมท่านมีมีเยอะๆถ้าเก็บที่ไหนก็เหมือนกันแต่กวนผมก็ไม่รู้ทํายังไงทำเสื้อติดค่าอะไรมีคูบามีไหนายคูบาจันท์ก็สงเออก็คือ อธิบายแต่ผมก็ผมก็อย่างรู้อย่างนี้ไม่ใช่แต่ถ้าพอหลวงพ่อข้างเขียนทางเคยไปเมือจินปัญญาธรรมมาผมก็นำตาไหลโออยานนี้อย่านี้มีวิธีอย่านี้มีวิธีย่านี้มีครูบาาจารย์สอนมีครูบาจารย์ ม, าามปีประสบการณ์ตัวเองสอนผมก็ ไปทำหนุ่มโพคังเขียนท่านน่ผอย่าไปเมืองไทยปฏิบัติได้ไหมครับท่านก็โบกใต้แต่ผมก็มาแล้วมาแต่ถ้าจริงจิงผมอยู่อ อ, อยู่เมืองไทย บ, บาเตเบอเดือ น, นก็ไม่รู้เรื่องใครพูดอะไรผมก็ไม่รู้อะไรแต่ผมก็จริงจิงก็คิดว่าถ้าอย่างนี้ถูกจริงจิงถูกแล้วแต่ถ้าก็คือพอ ฝันภาษาไทยไม่ออกพูดอะไรอยากอยามทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งครูอาจารย์สอนอะไรผมก็ไม่รู้ถ้าผมก็คิดว่าเต้งเรียนภาษาไทยผมก็หาอาจารย์สอนผมผมเคยกับมาเมืองจีนเรียนภาษาไทยอีสปส่งวันแต่ถ้าผมก็ยไม่ จินจ uh, ิ้นไม่ขึ้นชอเปลียนพาเออตาสาพงก็ร yeah. ู <ays> mi, mi, mi iento, uh, ้สึกจินจิ้นยากแต่ถ้าพงก็เขว่าท้ายแต่พงจินจินพงยาพทุกยาก็เีว่าตรงนี้จินจิ้นมีมีสิออมี地แต่ถ้าเรียนเรียนสองวันพมก็เว่า อยากกลัมาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมาเรียนตัวแล้วผมก็กลัมกลัมาผมก็เหมือนเหมือนเออเหมือนกวนผมก็เก็บอารมณ์ผมก็เออเรียนกับหลังสือธรรมะลงปูเทยียนกับหลมพ่ขอข้างเขียนเก็บก็คือทุกศัพท์ทุกศัพท์เรียนทั้งทุกวันนี้ผมก็จริงๆผมก็รู้สึกโชคดีมากถ้ามาเมืองไทย เออกรนผมก็ไม่คิดว่าอย่าเรียนภาษาภาษาไทยพงกนก็คิดอย่าเหนียวก็คืออย่าปฏิบัอย่าพึงทุกพงเหนทุ ก, แ ต, ทกแต่พงหยับพึงทุกแต่พึงทุกไม่ได้ไม่เป็นก็คือเออย่านี้ก็คื อ, อเรียนภาษาไทยจริงๆก็เก็บไม่ไม่ไม่คุย ไม่คุยกับใครผมก็คืออ่านหนังสือฝันทรมาใช่ก็คือพอเอ่อวัดวัดธรรมิขนก็มีเอ่อหลปูเทียนโรยบีเอ่องานก็คือหุวงพ่อข้างเขียนท่านเคยไปผมเอ่อพาผมไปน้นผมฝันทำมาเอ้ยผมก็ผมก็พอเข้าใจคูอว่าจะสอนอะไรผมก็จริงๆดีก็ดีใจเอ้ย พงจริงๆฟงฟันภ่าซาไทได้แล้วก็เออมีมีเคยมีเอออาจารย์พงเออก็คือท่านบอกท่านมีเออเป็นเป็นพระสิบ้าวันเออสิบาปีก็ไม่รู้เรื่องท่านปฏิบัติแบบนุ้มปุทีนเออตือนกว่าก็จีใจเปลี่ยนเป็น ผมก็ยาผกคิว้ผมก็อยาเอ่ออยาเรียนทั้งอุบาสกอุบาสิกอย่างนี้ผมก็ผกกลับท่านไปท่างก็ทก็สอนสอนอย่างเนี้ยวเดินอย่างเนีย้ยวไม่มีไม่มีอื่นก็คือเดินอย่างเนี้ยวก็บอกผมเอ่อน้อยที่สุดสิบสิบแปชมมั่วโมง ผมก่อนผมก็คิดว่าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าผมไม่ไหวแต่ถ้าผมมีความคิดอย่างนี้แต่ผมก็ก็อยาก ก, ก็ก็มีความคิดอันหนึ่งก็คือถ้าผมมาเมืองไทยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่นทุกถ้ากลัวกลัวตายถ้าผมผมทุกไม่ได้ถ้าผมอยากจริงๆอยากได้อุปสรกัง อุบาสุกการของท่านอุบาสุกการของท่านผมกเรียนจริงๆสิบก็คือเดินเดึ่งวันสงวันหนึนงยันยวจริงๆผมก็เลยพองยาล้างผองยานอนพองยาเย็นก็ไม่ได้ ก็เรื่หญ่นาเคยมีง่วงสีชั่วโมงไม่รู้เรื่องก็เดินถ้าแต่ถ้าก็เห็นอะไรก็เป็นเป็นผีเป็นเทวดาก็ก็กงวมาทํายังไงก็ก็เดิไม่ได้เดินเถึงที่เอ่อวันที่เก้ากลางคืนก็คือเอ่อท้าเท้าก็คือเหมือนเหมือน เเหมืนอนไฟเผาก็ไม่ไม่ไม่กี่ลาทีก็ตื่นก็จริงๆไหนมากแต่ก็ตื่นก็คือพอมีพอมีอุอมอยอมแห่งพงอุบาสก ก็ปกองก็มีเอ่อมีอาจารย์คือัง เ, อเข้าเคยเอ่อเรียงกับอาจารย์ทั้งก็คือหนึ่งวันเห็นรูปแห่งรูปลามผมผมก็รู้อ๋อลูปนามก็คือนุมปูเทยียนทั้งก็บบดถ้าเราเอา่อปฏิบัติพุทธศาสนาเอา่อ ต้นต้นต้องเอาเห็นรูปหลามถ้าไม่เห็นรูปหลามก็ก็คือก็เหมือนว่าเราอยากเข้าห้องก็อย่าไม่อย่าไม่รูปเราดูอยู่ที่ไหนแต่แตผมตผก็ก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ท่านเครือคือใครผมกวนผมก็อยู่วัดปัสุทคดวัดวอีดเดียวอื่นก็ไม่รู้ไม่รู้อะไร ก็คุณว่าจะเอนผงจริงๆก็ไม่รู้ผงก็แตงก็คิดว่าถ้าผงเออเดินอย่างนี้ผงฝกตัวเอเนากจิตใจแล้วไม่ไม่มีปัญหาผงเดินได้ผงก็เคยร้อยที่สุดก็เคยสิบแปดชัปชั่วโมงเออมาที่สุดก็คงถึงเออี่ปชั่วโมงก็เห็นว่าผงเห็ฝกตัวเองจิตใจได้แล้วแต่ถ้าแต่ถ้างก็ ยังม่ย so, ังไม่รู้รูปล่างผมก็เก็แหว่าตัวเองก็จ้อนเข้าฉันแล้วแต่ผมก่อนผมอ่านหนังสือก็คือพราะว่าเจริญสติเป็นรูปุเทียนอย่างนี้คือวิปัสสนาไม่ใช่สมถะน่งผมก็เกิดปิติเกิดความสงบแต่ถ้าผมก็คิดว่าอย่างนี้ก็ก็ต้องเอาทิ้งถ้ายมก็บผมผมก็ ผมก็ตบว่าถ้าอย่างนี้ไม่ดีผมก็เออก็อย่างเออเคยเคยตบอาจารย์ผมก็อยู่อีสปวนแต่ถ้าก็อย่างอย่างถึงไม่เออก็คือสิบวันผมไปไม่ดียมก็บอกผมก็คือบกผมว่าติดอารมณ์จริงๆอารมณ์คืออะไรผมก็ไม่รู้แต่ถ้าผมก็เข้าใจติด เอ๊จริงๆพงดี了ดีแต่อารมณ์อารมณ์เข้า来พงก็买入จริงๆพงดี得了พงก็躲不过พงมาเมืองไทยเพื่ออะไรเพื่อทุกผมไปจริงๆพงเอก็คือไปแล้วไปผมไม่เคยไปที่เอ่อเมืองไทยที่อื่นผมก็ไม่ไม่ไม่เคยไปไปที่ไหนก็ต้องเอายอมช่วยพงจริงๆพก็ อ, อ, อนุโมทลาผมมีโอกาส เ, เรียนกับหุพมพ่มาหาติเรกจริงๆผมก็โชคดีมากผมทันทุกวันนี้ผมย่าไม่ออย่าไม่พ้นทุกแต่ถ้าผมแหงตัวเองความโกรธ ส่วนมากก็หายไปแล้วถ้าถ้าถ้าเห็นเห็นองนี้คนนี้ผมไม่ชอบถ้าเห็นแล้วก็รู้แล้วถ้าก็รู้รู้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ต่อไปแล้วให้ผมผมโกรวผมก็ผมก็แปล ก, ก, กถ้าไม่โกรธโกรนผมโกรธง่ายๆอยู่เมืองจีนก็อย่างนี้มาเมืองไทยไม่ไม่ไม่รู้จกักใคร ใครคือใครแต่ถ้าเห็นแห็นคนนี้ผมก็ชอบแห่นคนโน้นผมก็ไม่ชอบถ้าก็ตอบตอบทันทีผงก็เห็นจีใจก็จริงๆรงก็ร้อนก็ทุกข์แต่ถ้าผมเรียนกับหลวงพ่อมาหาออถั้งวันนี้ผมก็คไอไเออไกินอีสปอนแต่จริงๆผมก็เห็นว่าผมความโกรธจริงๆส่วนมาก ก็หายไปหรือพูดว่าก็ไม่เออไม่มีอะไรผมก็เห็นเห็นก็หายไปแล้วความเออผมก็ก็คือก็คือเออเคยตบหลงพ่อมาหาเคยตอบหลงพ่อมาเออคำเขียนก็คือผมถ้าผมจิงจริงผมไม่พงทุกไม่เถินเออทำมารับตําเนิน ผมก็ไม่กลับเมือจงจีนผมก็ตายอยู่ที่เมืองไทยจริงๆแบบนี้เคยอยู่เมือจงจีนเอ่ออาจารย์พูดเถึงนพูดเถืนเอ่อแบบเอ่อปฏิบัติแบบนี้จริงๆมีไหนออง มีหนังสือเยอะๆยอย่างอยู่แต่ถ้าก็ไม่มีวิธีไม่มีสั้นจังหวังผมก็เคยเอ่อเคยมีความคิดบอกว่าคงหนึ่พันสงร้อยกว่าปีจะนนสถติแบบนี้คงเคยอยู่เมืองจินอาจาะก็ได้ถ้าผมไปที่ไหนผมก็ผมผมก็ยังมีความคิดก็แปลกทำไมเอ่อ อนฏิบัติแบบนี้จริงจิงดีมากเตี๋ผมไปที่ไหนผมก็เห็นพระก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็เห็นโยมก็ไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่เคยมีเออก็เออวันนี้ก็มีก็มีเออพระถามผมก็คือวัดปัสกขาตัวมีพระเออกี่รูปผมก็ตบก็คือประมาณยี่สบกว่าสัสิกว่า สังสิบประมาณสสบรูปท่านก็ตบอ๋อเยอะผมก็แปลกว่ายานี้เยอะไหมชิ้ๆผมก็รู้สึกยานี้ไม่เยอะเท่าไหร่ผมเคยผมเคยเอ่อปฏิบัติแบบนี้ก่อนผมก็คือมีอาจารย์ท่านคือคนไต้หวังท่านก็เอ่อท่านเคยไปเมืองจีนก็คือตัวเลือนสามเดือนตัวเลือนสามเดือนมีมีนักปฏิบัติเท่าไหร่ สังก็คือป่ามังสังรอยคุณสังรอยยามีก็เอื่นเออก่อนทั้งก็ทั้งก็คิดว่ารอยอยก็พอแล้วถ้าสาราสาราเออก็ก็อยคุณก็ก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แต่ถ้าสาราก็จริงๆก็เติมแล้ว ถ้าเวลาเราลังสมาธิก็ก็เก็บก็คือไม่มีเราอยากเข้าห้องน้ำก็ไม่ก็ไม่มีก็ไม่มีทานไปแล้วถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่พอก็คือยังมีรักปัติปะก็สอนใจก็กล่อมแต่ทั้ที่สูท่างก็บอกไม่ได้แล้วก็เออหนึ่งสาระไม่พอก็ก็คือเออสาระอื่นอีกก็คือ ก็คือเอ่อพร้อมกันก็คือสองสาระสาระก็คือใช้เอ่อวิดีโอพร้อมกันทันที่สูก็ก็ประเสริฐก็ไม่ได้แล้ววัดไมวดวดวด่วัดไม่ไหวอย่างนี้วัดไม่ไหวถ้าเมือม่อเมืเมืจริงก็เหมือนเอ่อกเมือม่อเมืไทยไม่เหมือนกันถ้าเราเมื่อจิิงปฏิบักษ์ ท่าคงก็คือเอ่อดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเปลนคงเอ่อมีฝนตกก็เหนาวมากก็ม c, có, ีหิมะด้วยก็ถ้าเวลาเรานอนนอนที o, có, có mai, có mai ài, có, ่ข้างนอกก็ก็ไม่ก็ไม่ไหวก็นอนนอนอยู่บนดินก็ไม่ไหวจริงๆก็ตัวเล็่อนสา้นเดือนผมเคย ใชความคิดคืยกับหลวงหวพอมาหาก็คือผมขอหนิมงหลวงพ่อมาหาทาไปสอนคุณจินผมเคยบอกท่างว่าสอนคุณจินง่ายกว่าสอนคนไทย จิงๆผมผมผมมั่นใจผมไม่ใช่ไม่ใช่โมโหเอ่อโมโหเอ่อน้อพมหาก็คือหมโมทำไมจริงๆเราอยู่มอยู่เมืองจินส่วนมากคนก็คือชาวพุทธศาสนาก็คือเถิดพุทธศาสนา เก็บทุกคนก็ชอบอาเจียงวี่หนังหนังสือคงทั้งทั้งงหนังสือ ก, ก็เก็บทุกวัดก็อยู่ถ้าผมอยู่เมืองไทยก็มีสองเนืมไม่เหมือนนะแบบไม่เหมือนแต่ก็คือมีสองเนื้อผมก็ปกหลวงพ่อมาหาทัา้งถ้าสอนคนจีนก็เคยง่ายมากก็อสอน ยานนี่นะสามจังหวะถ้าเร่งจังงงยานนี่ก็คือเป็นที่เป็นพอแล้วทําไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้อง半夜半ย夜夜ทาไมท่านพระพุทธเจ้าสอนสอนเราไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาเราเป็นความจําท่านหลมงหลวปูเทียนท่านสอนเราไม่ใช่เอาเราความจำท่าน มลงพ่อมหา ท, ท่านท่านอองงตาสุริยาคู่บาจันสอนเราไม่ใช่ให้เราความจำให้เราปฏิบัติให้เราตัวเองมีประสบการณ์เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนลุงบูเทียนเหมือนลุงพ่อมหา เด็กผงโกตบหลวงพ่อมหาก็คือถ้าคุ้นจินเรียนเจริญสติษฐเป็นนุ่มบุญเทียนยากยากอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ภาษาไทยผงโกขอหลวงพ่อมหาเรียนภาษาจีนไปเมืองจีนสอนคุ้นจีน ทั้งกบตงอวปงตัวเองนเติมทามาจริงจิงผมก็ทุกวันนี้งทก็ทุกวันก็ขวัญแขยขยันปฏิบังแต่ผมก็มีก็มีเมื่อวันงก็มีอาจารย์ถามผมเป็นยังเเป็นไงบ้าง ผมก็ตอบก็ดีครับแต่ถ้าผมกออ็อย่างเข้าความคิดท่านก็ท่าน ก, ก็ถามว่าคิดคิดเรื่องอะไรส่วนมากก็คืออะไรผมก็ตอบว่าส่วนมากก็คือธรรมะมแต่ถ้าจริงๆผมถ้าคิดขึออ้นผมจริงๆผมก็คิดคือ ผมก็แปลกมากก็คือตัวเอนปัญญาธรรมะแต่ผมก็รู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้คือความคิดไม่ใช่จริงไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าจริงๆรงผมก็รู้ว่าถ้าถินตัวเองไม่อยากปัญญาธรรมะไม่อยากช่วยคุณจินเรียนกับครูบาจารย์อย่างนี้ของทางเวลารอ จริงๆผมก็เอเอเทวตัวเอ็นก็คือจิตใจก็เป็นคนไทยแล้วมาเมือนไทยก็วันนี้คือวันที่หกใช่ไหมครับวันวันนี้คือวันที่หกใช่ไหมครับอ๋อถ้าวันนี้ก็คือผมมาเมือนไทยเออเพ่งเริ่มบีสี่เดือนไม่ ก็คือเอ่อผมเคยมาเมืองไทยก็คือวันก็คือเอ่อตือนที่12วันที่6มาเมืองไทยจริงๆก็คือเดืนพฤเดือนผมก็คือรู้ว่าตัวเอโชคดีมากผมก็ปฏิบัติถ้าทั้ทัที่สุทัที่ไหนผมก็ไม่รู้แต่ถ้าผมก็รู้ว่าปฏิบัติ มีชีวิตอยู่พงก์แปดปีแปดดอกใบพงก์แปดปบแตดแบบนี้ผมไม่ต้องเปลี่ยนทำไมพงก์อยู่เมืองจีนอ่านหนังสือแบบนี้ไม่ลอยแล้วผงกชอบผม ก, ก์ก็คือกลางคืนฝันก็คือมีพระพุทธเจ้าอาจารย์เวรนเคยสอนผมแล้วผมไม่อย่าเเลยน 给他彭晶晶养呃放爬山台，也没也没可以，也没可以低头来，帮康帮看哄过去，呃，他哈农布放农布天，搞农布看田，哄过屯百十百十百身，对他呃，他哈库巴赞，嗯，สอนสอน นุ่มบเทียนนุ่มพ่อข้างเขียนเคยปั่นยาทำอาผงคงเคยคงงเอ่อรู้รู้นี่หน่อ ย, ปปนยาา อ, อยอออยแต่ถ้าเอ่อเช่นถ้าเวลาครูบาจารสอน่านที่เช่นผมก็ไม่รู้เลยจริงๆอย่างนี้ผมก็เอ่ทนที่ที่กนงงก็คือบอกคูบาจารปกกับยมทุกๆท่ทาน ก็คเหมือนต right. ุ้เก๋ก็บอกก็ยังเราก็ต้องเอาความเพียนความเพียนกรมมากรมมารู้สตู่ให้เรารู้สตู่รู้สตู่ถ้าผมเอ่อพูดอะไรเข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็แล้วแต่ถ้าทุกท่านกรรมาความรู้สตู่แล้วที่อย่างนี้ก็ดีที่สุดแล้วถ้าตุ้เก๋ นะูไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียนภาษาตุกิแต่เราเรียนภาษาความรู้ตรสตุอย่างแยวอย่างนี้พอแล้ว แ, ว แ, วแต่ถ้าทังที่สุดก็คือผมขอทุกทุกท่าน จ, จ, จริงๆเรามีเราโชคดีมีโอากาสได้เจริญสตีเป๊ แบบนี้แบบรวมบุเทียนเราปฏิบัติขนขวายขยันความเพียรให้เรากรรมะอยู่กับรู้สตัวให้เราให้ทุกทุกท่านตับทุกตับสิ่งทุกเถือ